อีกสูตรหนึ่งนะครับว่าส ก, การสูตรว่าด้วยผู้ถูกสักการะครอบงําจิตดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราตถาคตได้เห็นสัตว์ผู้อันส ก, การะครอบงําย่ํายีจิตแล้วเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกเราได้เห็นสัตว์อันความไม่ส ก, การะครอบงําย่ายีจิตแล้วเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรก เราได้เห็นสัตว์อันสักการะและความไม่สักการะทั้งสองครอบงำย่ายีจิตแล้วเข้าถึงอบายทุขติวินิบาตนรกคือคนเนี่ยแปลงนะได้รับลาบสักการะอักุศลก็ครอบงำก็เป็นเหตุให้ตกนรกหรือว่าคนที่ไม่มีลาบสักการะก็เดือดร้อนใจอีกก็เป็นปัจจัยให้ตกนรกคนที่ทั้งได้ทั้งไม่ได้ลาบสักการะก็เป็นปจัจจัยให้ตกนรกเหมือนกันนะครับ เพราะอะไรครับเพราะได้สการะเนี่โลภะเกิดใช่ไหมเสื่อมจากสการะก็โทสะถ้าทั้งได้ทั้งเสื่อมก็โลภะโทสะสลับกันเพราะพวนี้เป็นปัจจัยให้ตกนรกหมดเลยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราตถาคตกล่าวคํานั้นแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราตถาคตได้เห็นสัตว์อันสการะครอบงามย่ายีจิตแล้วเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก เราได้เห็นสัตว์อันความไม่สการะครอบงามย่ำยีจิตแล้วเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตานรกเราได้เห็นสัตว์อันสการะและความไม่สการะทั้งสองครอบงามย่ำยีจิตแล้วเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตานรกเพราะได้ฟังต่อสมณะหรือพราหมณอื่นก็หาไม่ได้ไม่ได้ไปฟังใครมานะแบงนั้นแต่ว่าเราตถาคตรู้มาเอง เห็นมาเองทราบมาเองจึงกล่าวคํานั้นและว่าดูการพิสูจนทั้งหลายเราตถาคตได้เห็นสัตว์อันสการะครอบงามย่ายีจิตแล้วเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเราตถาคตได้เห็นสัตว์อันความไม่สการะครอบงามย่ายีจิตแล้วเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเราตถาคตได้เห็นสัตว์อันสการะและความไม่สการะทั้งสอง ครอบงำย่ำยีจิตแล้วเข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนารกแต่ละอย่างนี้เป็นเหตุแห่งนรกหมดเลยนะครับแลวผมก็ตรัสเป็นคาถาว่าสมาธิของบุคคลใดผู้อันบุคคลสการะอยู่ผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมไม่วันไหวเพราะสการะและความไม่สการะทั้งสอง พระริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวบุคคลผู้มีปกติเพ่งผู้มีความเพียรเป็นไปติดต่อผู้เห็นแจ้งด้วยทิฐิอันสุขุมมีความสิ้นอุ ป, ปาทานเป็นที่มายินดีว่าเป็นสัก บ, บุรุษนะครับอันสัพบุรุษก็คือคนที่ไม่หวั่นไหวเพราะลาบและเสื่อมลาบจะมีปกติเพ่งเห็นแจ้ง ด้วยอรรยมรรคนะครับหมดอุปาทานคนแบบนี้เรียกว่าสัตว์บุรุษนะครับอัตกถานะครับบทว่าสกาเรณนะ์ความว่าอันสการะเป็นดังเหตุอันนะอีกอย่างหนึ่งบทว่าสกาเรณนะ์ความว่าถูกเหตุหรือสการะหรือถูกอาคุสุลธรรมมีสการะเป็นเหตุครอบงำอธิบายว่าเพราะอาศัยสการะบุคคลบางคนในโลกนี้ก็เลยมีความปรารถนาลามก ถูความอยากครอบงําตั้งอยู่ในอิจฉาจาระนะครับตั้งอยู่ในความป่าถนาว่าเราจะได้สการะเกิดขึ้นแล้วประพฤติการสแสวงหาที่ไม่เหมาะสมมากอย่างจุติจากโลกนี้แล้วจึงเกิดในอบายนะครับครุ่นคิดสแสวงหาเนี่ยนะครับอยื้อทยานอยากได้นูน่นอยากได้นี่นะครับบางคนก็นยอมเสียศีลเสียธรรมเสาะหาสแสวงหานี่นะครับก็เหมือนกับที่ว่าโอ้ยไปตื้อโยมให้จัดกรถินให้ลักษณะนี่นะครับ ก็ลักษณะนี้นะครับถ้าหาว่าหมกมุ่นในลักษณะนั้นจุติช่วงนั้นแย่แน่นะครับส่วนคนเหล่าอื่นได้สการะอย่างใดแล้วก็ถึงความประมาทอันมีสการะอย่างนั้นแหละเป็นนิมิต ด, ด้วยสา ม, มารถแห่งมานะนะครับถือตัวแล้วใช่ไหมครับมัทะความเมามัจฉริยะความตนีเป็นต้นจุติจากโลกนี้แล้วจึงเกิดในอบายทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาว่าผู้ถูกสการะครอบงำ ม, มีจิตอันสการะ หุ้มห่อแล้วดังนี้ก็คือแบ่งออกเป็นสองลักษณะนะคนชั้นแรกก็คือพวกที่ปรารถนาลาบสการะหมกมุ่นอยู่ในการครุ่นคิดหาลาบสการะเนี่ยนะครับจุติช่วงนั้นก็อบายทุกติวิบัตินรกหรือคนที่ส่อหาสแสวงหาลาบสการะปรารถนาแล้วได้มีลาบสการะนะครับเช่นสร้างวัดสร้างวาสาลาอารามมีกุฏิอะไรไปเพียบพร้อมบริบูรณ์มีทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองเนี่ยนะร่ำรวยมหาศาลก็ มานะก็เกิดขึ้นแล้วมะทะเมาแล้วคัน น, นี้ตณีทีเนี้ยวเป็นต้นนะนะมัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านี้เลยจุติก็อบายทุกขติวิบัตินรกอีกนะครับคิดดูนะกามทั้งหลายเนี่ยนะครับมันมีโทษมากจริงๆนะเนอะวัตถุกามทั้งหลายนี่นะครับมีโทษจริงๆเพราะว่าเป็นเหตุใกล้ให้เกิดกิเลสกามนี่ถ้าผู้ใดไม่เห็นโทษของกิเลสกามก็จะหมกมุ่นอยู่ในวัตถุกามทั้งหลายเหล่านั้นนะครับก็น่าเจริญกรุณาให้ตัวเองเยอะๆนะครับว่า เราผูกพันหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับโทษทั้งหลายไม่ได้ตกถึงใครหรอกนะครับบทว่าปริยาทินจิตตาความว่ามีจิตอันสักการะให้สายไปแล้วคือเป็นผู้มีกุศลจิตถูกอิจฉาจานและอกุศลมีมานะและมัทะเป็นต้นให้ถึงความสิ้นไปนะครับคือหมกมุ่นปรารถนาผูกพันเนี่ยนะครับ กิเลสทั้งหลายก็ครอบงำย่ำยีนะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่าปริยาทินจิตตาความว่ามีจิตอันสการะยึดเหนี่ยวไว้รอบด้านอธิบายว่าเป็นผู้มีจิตสันดานถูกฝ่ายอากุศลธรรมมีประการดังกล่าวแล้วคื อ, อนะครับอิจฉาจันมานะมัทะเป็นต้นเนี่ยนะครับยึดแล้วเนี่ย ยึดไว้รอบด้านโดยไม่มีวาระแห่งกุศลจิตเกิดเลยนะครับผูกพันหมกมุ่นกุศลไม่มีโอกาสได้เกิดเลยนะจิตเนี่ยเป็นไปกับอกุศลตลอดบทว่าอาสกาเรณนะ์ความว่าอันเหตุคืออสการะที่ผู้อื่นให้เป็นไปแล้วในตนโดยมุ่งให้ละอายโดยเ ย, ออยื่ยหันหรือถูกอกุศลธรรมมีมานะที่มีสาการะเป็นเหตุครอบงำ ตัวเองเสื่อมจากลาบสการะก็ถูกเขาดูหมิ่นดูแคลนก็เสียใจน้อยใจเป็นต้นเนี่ยนะครับหมกมุ่นอยู่กับความน้อยอกน้อยใจอย่างนี้นะครับจุติช่วงนั้นก็อบายอีกนะครับบทว่าสการะนะจะอาสกาเระนะจนะจความว่าถูกทั้งสการะที่ใครๆให้เป็นไปแล้วทั้งอสการะที่ใครใคให้เป็นไปแล้วอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายเอาบุคคลเช่นนั้นที่ตอนต้นชนเหล่าใดสการะ มาภายหลังชนเหล่านั้นนั่นแหละไม่สาการะเพราะรู้ว่าไม่มีสาระธรรมนะครับมาเช่นบางคนเนี่ยนะครับเผยแพร่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็มีคนนับหน้าถือตาคนขึ้นคนห้อมล้อมมากมายมหาศาลตอนหลังคนที่เข้ามาหาเนี่ยนะครับเขารู้ว่ามันไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะครับ เขาก็ค่อยทยอยจากไปทีละคนสองคนนี้จากไปหมดก็มานั่งห้อยนั่งเงานั่งเศร้า น, น, นั่งซึนงซมนะนะเพราะว่าลักษณะนี้เรียกว่าถูกทั้งสาการะและอสการะครอบงำนะครับจุติช่วงนั้นก็อาบายอีก บ, บ้างก็ถูกเสื่อมชนขุดคุยความไม่ดีมาเปิดเผยนะครั บ, รบจนชาวบ้านชาวช่องเขารู้ตัวกันไปหมดก็เลยพากันถอยตอนนี้ก็ลซบเสาเลยครับซ บ, บเสาม่วงน้อยน้อยเงานะครับอยู่เป็นทุกข์อีกนะครับ เขาบอกว่าในเรื่องนี้ควรนําเรื่องของพระเทวทัตที่ถูกสการะครอบงามาแสดงเป็นตัวอย่างนะครับพระเทวทัตนี้ <c oughs> ถูกลาบสการะครอบงำนะครับจนถึงตอนหลังก็คิดจะปกครองสงเองนะครับซึ่งจะมีอธิบายข้างหน้าอีกแล้วพระองค์ก็ตรัสไว้ในคาถาธรรมบทว่าผลกล้วยแล่ฆ่าต้นกล้วยคุ้ยไผ่ฆ่าต้นไผ่สการะฆ่าคนชั่วเหมือนลูกมา้าฆ่าแม่มา้าอัศดรดังนี้นะครับ นี่ก็โทษของลาบสการะนะครับเกิดขึ้นเพื่อทําลายอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นลาบสการะสารเสริญชื่อเสียงเป็นต้นเนี่ยนะครับนั่นแหละครับเหตุท่งอบายได้เข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คําว่ามันมาในรูปแบบของความเพลิดเพลินนะครับมาในรูปแบบหน้ากระยิมยิ้ ม, ย, มย่อ ง, องอรครับรบคัในลงแยกแยะคําว่าลาบคําว่าสการะให้มัน ชัดเจนแล้วก็ยกตัวอย่างประกอบให้มันทันยุคทันสมัยพอที่เราจะมาเทียบเทียงเ อ, อ่อเทียบเคียงกับชีวิตของเราได้ว่าเอออไหนที่มันใกล้เคียงใกล้ๆเราบ้างอะไรตัวนองครับก็บผมจะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับมีที่หนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งนะครับตอนที่ท่านยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดนะครับก็มีความสงบเส ง, เงียมเจียมตัวดูหน้าสัทธานหน้าเลื่อมใสพูดน้อยนะครับพอมี ตำแหน่งเข้านะครับตอนหลังก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดนะครับในวัดนั้นก็ปกติก็ศรัทธาในพระธรรมวินัยพอได้ยศได้ตำแหน่งเข้านะครับมีลาบสการะมีคนนับหน้าถือตามีโทรศัพท์มือถือเป็นต้นเนี่ยนะครับไปไหนโยมก็ห้อมล้อมซ้ายห้อมล้อมขวาหนักหนักเข้าก็ไล่ผู้มีศีลมีธรรมนี้ไปหมดนะครับอันนี้ก็ว่าถูกลาบสการะครอบงําย่ายีจิตเดือดร้อนเร่า ร, ร้อนนะครับ ตอนหลังก็มาเดือดร้อนอีกก็จะรักษาลาบสการะเหล่านี้เป็นไปยังไงนะครับแต่ว่าท่านยังไม่จุตินะครับไม่รู้ไปไหนนะครับน่าจะรู้จักดีนะทีนี้ต่อไปนะครับว่าควรนำเรื่องของพระเจ้ากรุงทันตกีนะครับพระเจ้ากรุงกาลิงคะพระเจ้ากรุงเมชะเป็นต้นมาแสดงเป็นตัวอย่างนะครับผู้ที่เสื่อมผู้ที่ ได้ลาบส ก, การะเนี่ยนะหรือผู้ที่เสื่อมลาบส ก, การะนี่นะครับอย่างที่ข้อความเหล่านี้ก็ยกมาจากชาดกบางส่วนนะเช่นเพราะพระเจ้าทันตกีโปรโยธุรีใสกีสวัชฤษีผู้หาธุรีไม่ได้พระองค์พร้อมด้วยประชาชนและแวนแควนจึงถึงความพินาศเหมือนไม้ที่รากขาดแล้วหมกไหมอยู่ในกุกุลนรกประกายไฟตกถูกต้องพระกายของพระองค์นะครับ อันนี้ก็ไปโปรยธุลีใสหรือสีนะครับก็คือมีพระราชารูปหนึ่งนะครับไปบ้วนไม้สีฟันบ้วนขยะมูลฝอยเนี่ยทับทับทับหรือสีเนี่ยนะครับตอนหลังก็เทวดาเดือดร้อนนะครับเทวดาเดือดร้อนก็ทําให้เพลิงเนี่ยเผาไหม้ประชาชนแว่นแคว้นก็เสียหายตายแล้วก็ตกนรกมันมันมีเหตุมาจากตรงที่สนมคนหนึ่งของพระราชาองค์นี้ใช่ไหมครับครับถูก ถูกถอดตําแหน่งอ่ะแล้วแกก็เลยไม่ว้าเวครับเดินไม่รู้จะท้อไปทำอะไรก็เลยตัวบาตุเปเข้าไปในพระราชอุทยานไปเจอพระฤาษีอยู่ก็เข้าใจว่าพระฤาษีคนนี้เป็นกาลกินีนะครั บ, รบก็เลยไปถมน้ําลายบ้วนปากตุ้ยเข้าใส่นะครับปรากฏว่าอีกไม่นานเธอก็ได้รับการสถาปนาอยู่ในตําแหน่งเดิมนะครับก็เลย มีคนอมานหรือมีคนอื่นๆที่ถูกถอดตําแหน่งก็มาปรึกษาว่าเธอไปทําอะไรมาเธอถึงได้คืนตําแหน่งนั้นนะครับก็เลยแนะนําว่านั่นไปถมน้าลายใส่หัวฤาษี อ, องค์นั้นได้นในพระราชษฐยญานะครับอมานนั้นก็เลยทําบ้างปรากฏว่าโยไม่นานก็ได้คืนตําแหน่งอีกเดิมเหมือนเดิมนะครับก็เป็นที่กล่าวขานกันว่าโอ้โหคงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆพอถึงวันหนึ่งก็มีสงครามเกิดขึ้นนะครับ ชนบดกำเริบว่ากันนะแล้วก็เลยเอ่ออาหมาคนนี้เลยไปแนะนําพระราชาว่าทุกคนที่จะยกทัพไปทําสงครามเนี่ยควรที่จะไปทําตรงนี้เซคือไปช่วยกันถมน้าลายใส่หัวฤาษีพวกนี้นะครับเป็นต้นเนี่ยนะฮะก็ไปกันใหญ่เลยทั้งกองทัพนะครับถมกันใหญ่เลยครปรากฏว่าไปไปไปครบรึกก็ชนะจริงๆด้วยนะครับก็เลยทุกคนได้ปักใจมั่นคงว่าจะต้องด้วยการทําอย่างนั้นแน่ๆนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ พระราจานาจักรนั้นถูกท่วมทับไปด้วยฝนหอกฝนลูกเห็บอะไรต่างๆแล้วก็มีทรายมีหินมีระถมรัดทั้งรัดเนี่ยครับกลายเป็นแผ่นดินหนาแล้วก็เป็นป่าไปในที่สุดครับสาธุอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องนึงเล่าด้วยนะครับพระเจ้ากาลิงฆะนะครับก็ได้ล่วงเกินบนรรพชิตผู้สํารวมแล้วนะครับผู้สอนธรรม ผู้สมณะผู้ไม่ประทุษร้ายนะครับสุนัขทั้งหลายจึงรุมกัดพระเจ้ากาลิงฆ่านั้นนะ่ะผู้กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่เหมือนผลมะพร้าวนะครับถูกหมากัดนะนะเป็นพระราชาเนี่ยนะถูกหมาฟัดเนี่ยนะนี่ผมก็นึกเรื่องไม่ค่อยออกนะครับต่อไปอีกเรื่องหนึ่งก็พระเจ้าเมธะคิดประทุษร้ายในมาตางังคฆารือศีนะครับดูในมาตางังฆาชาดกกันนะผู้เรืองยศรัตนมนทนของพระเจ้า เมชะพร้อมด้วยบริษัทก็ได้ศูนย์สิ้นไปในครั้งนั้นนะครับอันนี้ก็โทษของการถูกลาบสักการะถูกยศถูกอํานาจถูกความเสื่อมลาบสักการะเป็นต้นครอบงำนะครับก็สร้างความเสียหายมหาศาลเดียร์ธีทั้งหลายมีนิค น, น่าตะบุตรเป็นต้นนะครับผู้ถูกทั้งสักการะและอสักการะครอบงำก็ควรนํามาแสดงด้วยนะครับเช่นพวกปุรณะกัสปะเป็นต้นเนี่ยนะครับถูกตอนตอนแรกก็มีคนสักการะมากมายตอนหลังถูก อสั ก, การะครอบงำไหมว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นโลกเขาก็หันมานับถือพระพุทธเจ้ากันสัสวนมากนะครับตัวเองก็เดือดร้อนเร่าร้อนนะครับตอนนั้นก็ตายแล้วก็ตกนรกนะครับทีนี้ส่วนในคาถาที่พระองค์ตรัสว่าสมาธิของบุคคลใดผู้อันส ก, การะอยู่ผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมไม่หวั่นไหวนะครับคือถึงได้รับสกการะก็สมาจิตก็ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับ เพราะส ก, การะและความไม่ส ก, การะทั้งสองผาเรยาเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวบุคคลผู้มีปกติเพ่งผู้มีความเพียรเป็นไปติดต่อผู้เห็นแจ้งด้วยทิฏฐิอันสุ ข, ขุมมีความสิ้นอุปาทานเป็นที่มายินดีว่าเป็นสัตบุรุษนะครับที่บอกว่าบทว่าสมาธิณนะวิกัมปติความว่าสมาธิย่อมไม่หวั่นไหวคือมีสภาพเป็นเอกนั่นแหละตั้งอยู่ จิตยังเป็นหนึ่งตามเดิมนะครับมั่นคงเท่าเดิมนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพื่อจะทรงแก้คําถามว่าก็สมาธิของใครเล่าไม่วันไหวอธิบายว่าของผู้ชื่อว่ามีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือเป็นพระอรหันต์เพราะละธรรมะที่เป็นเหตุแห่งความประมาทมีราคะเป็นต้นด้วยดีด้วยว่าท่านไม่วันไหวเพราะโลกธรรมทั้งหลาย สการะก็คืออั น, นั้นไงโลกกระทำฝ่ายดีใช่ไหมครับถ้าพูดสการะเท่ากับลาบเสื่อมลาบนินทาสรนเสริญสุขทุกขยศเสื่อมยศนั่นเองนะครับเท่ากับโลคกระทตรัสทั้งหมดนะครับข้าวการครับคำว่าลาบนี่ไหนต้องยกตัวอย่างแล้วก็ยกตัวอย่างสการะนะมันแยกกันหรือเปล่าครับมนนคือไอ้คาว่าลาบหมายคำว่าเช่นการได้ปัจจัยสี่นะครับเช่นการได้กระถินได้พระป่าได้จีโวได้อาหารทั้งหลายที่เขาเอามาให้อย่างเงี้ยชีวล า, าบ ท่าสการะก็การให้นั่นแหละแต่เขาให้แบบเคารพให้แบบนอบน้อมเนี่ยนะครับไทยแบบกราบไหว้ออนวอนเชื่อเชิญเนี่ยเขาเรียกว่าสการะนะครับคือแบบท่าสการะก็ยกอันนั้นหให้แบบพิเศษนะครับลักษณะเนี่ยนะครับปนมอะไรนะน้อมให้โน้มให้นะครับโอ้ยทั้งกล่าวยกย่องเราด้วยเอามาให้เป็นต้นด้วยนะลักษณะนั้นเรียกว่าสการะนะครับ บทว่าสุคุมะทิฐิวิปัสสังความว่าผู้ชื่อว่าเห็นแจ้งด้วยทิฏฐิอันสุขุมเพราะมีความเห็นแจ้งที่เป็นไปแล้วเนืองๆด้วยทิฐิอันเป็นปัญญาสุขุมนะครับคือปัญญาสุขุมเหตได้บรรลุผลสมาบัตินะครับทิฐิที่สุขุมก็คือปัญญาในผลจิตนั่นเองนะครับหรือว่าในมรรจิตที่เป็นเหตุให้ได้ผลจิตแล้วก็เสวยวิมุตติสุขอย่างสบาย บทว่าอุปาทานนักขยารามังความว่าผู้ชื่อว่ามีความสิ้นอุปาทานเป็นที่มายินดีเพราะมีอรหัตผลอันเป็นที่สิ้นไปคือเป็นที่สิ้นสุดแห่งอุปาทานทั้งสี่ที่ตนจะต้องยินดีนะครับคำที่เหลือก็ง่ายทั้งนั้น